นักมูตจระ พ, ะ, ตะพกวัตุอรหัตสัมมาสัมพุทตะนักมูตจระพกวัตุอรหัตสัมมาสัมพุทตะพุทธังธรรมังสังขังนมามะสาลีมมอันตุปารังตตะังธรรมโมสุตโพธิวันนี้เป็นวันอัตมททีทิ่ีที่แปดค่ำ ยังปักมาถึงแล้ววันนี้ฝ่ายพุทธบริษัททั้งหลายถือว่าเป็นบุญพระซึ่งนับเนื่องมาจากโบราณการของชาวพุทธทั้งหลายมาแบ่งวันปันสว่วนให้ชาวพุทธทั้งหลายเข้าสู่ธรรมะให้ฟังธรรมะ วัดวะอารามเป็นธรรมดาชาวพุทธเราทั้งหลาย <c oughs> ถือเป็นการเป็นเวลาโบราณอาจารย์สันจัดว่าเดือนหนึ่งเป็นบรระอยูสี่วัน เป็ น, นา ว, าวันคหรวัตอยู่26วัน26วัน21 21 30นะเดือนหนึ่งมีวันวันพระอยู่4วันเป็นวันคารือหัดวันคารวัตอยู่26วันแบ่งกันอย่างนั้นคารวัตไดห้หลายกว่ามากกว่าเดือนหนึ่งได้ว26วันพระได้4วัน ขนาดนี้ยังไม่พอใจนะยังมาขโมยวันพระไปอีกด้วยวันพระสี่วันเท่านั้นะให้ยี่สิบหกวันยังมาขโมยวันพระไปอีกจนกระทึงวันนี้วันพระจนจะไม่เหลือแล้วเลยเก็บให้เป็นวันคารวะหมดทั้งสามสิบวันเดือนหนึ่งอันนี้ดูจากว่าเรามาข้ามเที่ยงขมามหมล่ะยี่สิบหกวันเรยังไม่พออีกยังมาขโมยเอาวันพระไปอีกด้วย มันพระจันรในสีวันคือเป็นวันเทียบเดือนหนึ่งเราจะต้องพยายามมาอบรมสัน ด, ดานของมนุษย์เราตั้งหลายนี่พยายามอบรมอยู่ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่อบรมนานๆจริงะอบรมที่สมกับพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าวันคืนมันร่วงไฟร่วงไฟบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่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 เข้าไปแก่ไปชลาไปผลที่สุดมันก็หมดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงจึงสอนว่าวันคืนร่วงไฟร่วงไฟบัดนี้เราทําอะไรกันอยู่คือท่านกําชับให้พวกเราสังหลายนั่นให้พิจารณาอยู่ในปัจจุบันนั้นว่าเรามานี่เรามาจากไหนมาเพราะอะไรใครนํามาจะมาอยู่นี่กี่ปีกี่เรือนกันรู้ไหมแล้วออกจากนี่จะไปที่ไหนกัน เมื่อเรานึกถึงวันคืนอยู่ชะนี้เราจะควรคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเมื่อความคิดอยู่อย่างนี้สม่ำเสมอเราก็จะเห็นว่าชีวิตมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดมานี่ก็ไม่นานนะอืมเป็นเด็กแล้วก็แปลเป็นหนุ่มเป็นคนเท่าเป็นคนแก่เปลี่ยนไปทุกวันทุกวัน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 กโมงแล้วเนาะกลับไปบ้านทันไหมเนาะเนี่ยอ ม, มันห่วงอยู่อย่างนี้เรานี่กลุ่มวันกันฉันนั้นเมื่อเรามาทํามาหากินอยู่ในโลกนี้เราก็จะรู้จากชีวิตของเราว่าเรามายังไงไปยังไงมาอย่าง ไ, ไา ง, ไ ม, งไมีเครื่องไม้ไหมเราจะอยู่กันกี่วันอยู่กันกี่ปีกี่เรือนอย่างนี้เมื่อเราระลึกเช่นนี้อยู่เราก็จะรีบ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 มันก็คล้ายๆดีกว่าไม่มีการไม่มีเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เลยว่ามันคล้ายๆกันกับสัตว์อย่างไก่เ น, นี่ไม่รู้เรื่องตอนเช้ามาก็พาลูกคุ้ยเคียหากินไปอืเย็นมาแล้วก็นอนในเด้าไก่พรุ่งนี้ก็เคียกินไปเรืนนี้ก็เคียกินไป ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนมาที่ไหนไม่รู้จักไม่รู้จักเจ้าของเขาเรี่ยงไก่ก็ไก่ไม่รู้ว่าเขาเรี่ยงล้าไปทาไมไม่รู้จักรู้สึกแต่ว่าเขาเอาข้าวมาให้กินนึงว่าเขารักเราทุกวันทุกวันเอาข้าวมาโปให้กินนึกว่าเจ้าของรักเราอือก็วิ่งกันมาแย่งกินข้าวอยู่ทุกวันทุกวัน อืเจ้าของไก่คิดอย่างหนึ่งไก่มันคิดอย่างเจ้าของไก่พยายามเลี้ยงไก่ว่าโตเราหรื อ, อยังมันในสักสองสามกิโลห ร, หรือเปล่าเจ้าของไก่คิดไปอย่างนี้ไก่แม่เราสนุกกินอาหารนานๆนนก็คุ้นก็มามันเชื่อ ง, อองก็เข้ามาใกล้เจ้าของกปจับจับดูเดี๋ยวก็ยกขึ้นดูไก่ก็นึกว่าเจ้าของรักเรา เปลาจะของไก่นึกว่ามันหนักเท่าไรแล้วมันจะพอสองกิโลเราลือเปล่าเขา ค, คิดไปอย่างนั้นไก่ก็นึกว่าจะของรักเรามันคิดไปคนในอย่างจะของไก่ครับไก่นะี่ไก่ก็คุ้นเขมาเชื่องก็มากินแต่พืชเนี่ยมันอ้วนขึ้นอืมจะของก็เร่งเอาข้าวให้กินให้มันโตให้มันใหญ่ขึ้นมาเมื่อจับขึ้นมาได้สองสามกิโ ล, ลแล้วก็ดีใจแล้วไก่ไม่รู้เรื่องอีกหลยไม่รู้จัก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 พูดถึงความแก่ะเขาหน้างอไม่อยากจะฟังละนะเจ็ดสิบแปดสิบยังปากแดงศพแดงเล็บแดงเสมออย่างนี้ยังขึ้นรถจักรยานแข่งกันกระเบกอยู่นในนัะนอวส ด, ดีอยูอย่างนั้นคือคนไม่รู้จักแก่เมื่อไม่รู้จักแก่มันก็ไม่รู้จักพอเมื่อไม่รู้จักพอมันก็ยุ่ง ม, มันเป็นสายอย่างนั้นฉะนั้น บรรพบรุษท่านจึงแบ่งวันพระให้พระเดือนหนึ่งท่านให้สี่วันยี่สิบหกวันเป็นวันโยมในธรรมมาหากินโดยความชอบเมื่อธรรมมาหากินพอสมควรเราก็มาพักกันจ้ะขามาวัดนะพระท่านจะพูดอะไรให้ฟังมึ้งไหมเมื่ออยู่ในวันเป็นอันนั่นกับเราอันนั่นกับของเราของเราทั้งหมดเลยไม่เคยได้ยินว่าไม่ใช่ของเราไม่เคยได้ยินนะี่ บางทีก็แอบเข้ามาในวัดพระท่านจะเทศเนี่ฟังน่ะอันนั้นก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราเอ๊ะทําไมเป็นองนั้นเราอเนี่ยเอจใจขึ้นนะทำไมเป็นอย่างงั้นเนี่ยของเราแท้ๆเราสะสมมาแต่นานๆพระท่านพูดก็หกหรืองไงนี่ท่านว่าอันนั้นก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราตกกระึงเลยไม่รู้ว่าจะเอาไงกันดีน่ะฟังไปเรื่อยๆมาเมื่ อ, อไราอาจารย์กระเพาะอันนั้นไม่ใช่เรา อันนั่นก็ไม่ใช่ของเราเราก็พากันสะสมในใจอันนี้ก็ของเราอันนั่นก็เราอันนี้ก็ของเราอยู่อย่างเนี้ยไอความเห็นยังไงมันเลยแย่งกันอยู่ตลอดเวลากับธรรมะโลกกับธรรมะมันแย่งกันโลกก็ยังไม่ยอมอยู่นะอันนี้ของเราอันนี้เราอันนี้ของเรามาเพาียงพระอาจานก็ว่าอันนี้ไม่ใช่เราอันนั่นไม่ใช่ของเราเด้วยวพูดไปคนในทางนดเดีย จนกว่าเราจะทำนานในในการฟังธรรมะว่าเออไม่ใช่ของเราถูกความพระนะมันนานเห็นนะมันนานพบนะมันนานเจอมันนานเห็นที่นี่ก็คิดนานนานมามาวัดทีหนึ่งก็ได้มาฟังแต่อย่างนั้นอ่ะถ้ากลับไปบ้านอันนั้นก็เล่าอันนั้นก็ของเราไม่ได้คิดนึกอะไรอืมอ่ะ มาถึงพระธารมอันนั้นก็ไม่ใจเราอันนี้ก็ไม่ใจของเราในเทียงก็เป็นคนข้างๆครูๆอยู่อย่างนั้นในตลอดเวลานะนี่เราเป็นเห็นหเราภาวนาเอ๊ะมันมันจริงของใครแน่นอนนี่นะจริงคําพระหรือว่าจริงของเราเราก็จะได้คิดดูคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาเนะนี่ยเกิดการภาวนาขึ้นนี่การฟังธรรมมีประโยชน์อย่างนี้จะได้เห็นว่านานๆไปพิจารณาไปเรื่อยๆไปเนี่ย อายุมันมากก็มาน่อยโลกมันบีบบังคับก็มาหน่อยอยจะพูดอะไรในร่างกายมันก็พูดไม่เชื่อไม่ฟังสารพัดอย่างแม่ตั้งแต่ลูกเกิดมาในอกของเราพูดมันก็ยังไม่ฟังเลยเลยนะอืมอย่าไปยังงั้นเลยไปอย่าเกเลยมันก็แกหรือวุ่นเป็นไปคิดไปมันเห็นในปัจจุบันก็จะเห็นว่าเออธรรมะที่พระอาจารพูดเน่ยมันจริงนะอืม่อ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 มันเป็นโลกเกิดขึ้นมาเนี่ยทำไมถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของมันทำไมจึงให้มันเป็นโลกอืมทําไมมันจึงให้มันเป็นโลกเนี่ยอืมของเขาอย่างนั้นร่างกายเขาเป็นดินน้าไฟลมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราเกิดมาในที่นั่นเราก็นึกว่าอั น, นั้นเป็นของเราเทแท้แท้แย่งเถียงกับสังขารอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาอย่างนั้นผลที่สุดเนี่นก็สู้ไม่ได้สักทีหนึ่งต้องแพ้สังขารทุกทีทุกปีละ่ะ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 มันเลื้อยมาขังหน้าอ้าวนังงูแล้วนั่นอย่ากลับไปใกล้มันนะเนี่ยแล้วก็จัดการให้เราห่างจากอสารพิษนั่นสรพิษก็ไม่ชกเราไม่กัดเราพิษงูก็ไม่มาถึงเราถึงแม้ว่ามันมีพิษอยู่กัไปตามเรื่องของมันเฉ่นั้นน่ะมันไม่ถึงเราอันนี้ก็ฉันนั้นพอเราป้องกันตัวเราแล้วอะอันนั้นมันเป็นพิษเราไม่เข้าใกล้มันดีจากมันเสียมันก็ไม่มีพิษมีอยู่ก็เหมือนมันไม่มีมีมันก็อยู่กับงู มันไม่พ้นพิษมาถึงเราเราก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้ก็ชันใดฉัน น, นั้นร่างกายจิตใจนี้ก็อสราพิษอย่างหนึ่งมันกันเคยเห็นไม่ร่างกายมันอสราพิษนะบางทีก็มันก็ปัาทจากโรคภัยแข็งแรงยิ่งแย่แเมไซบางครั้งมันก็เป็นโรค อ, อ, อดๆแดดร้องไห้ไปได้เจ็บปวดนั่นคืออสรพิษเรื่องจิตใจนี่ก็มันกัน ถ้ามันได้อารมณ์ดีแล้วก็ดีหรอกเพคงชัว่วหรอกถ้าที่อารมณ์ไม่พอใจแล้วนม่นอนน้ำตาไหลอยู่นั่นแหละมันเป็นพิษอย่างนั้นอรารพิษมันกัดไม่รู้จักอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านในศึกษาธรรมะให้รู้จักกายกับใจของเรารูปังอนิจจังเวทนาอานิจจาสัญญาอานิจจาสังขาราอานิจจาวิญญาณังอนิจจัง ทั้งกายและจิตนี่รวมแล้วร่วนเต็มีของไม่เที่ยงถึงนั้นเนีอืมมีแล้วก็หาไม่เกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วหาไม่เกิดแล้วดับไปมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลตลอดเวลาอนั่นนั่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเรารู้พลนเผินแลก็ดูมันมันเป็นของจริงจังถ้ารูให้ถึงที่มันแล้วก็มันเป็นของสักเต่ว่าอกายสักเต่ว่าจิตสักเต่ว่าสุขสักเต่ว่าทุกเท่านั้นเอง ไอ้ผลที่สุดแล้วนะ่ะเอถ้าเราไม่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้สิ่งทั้งหลา ย, ยนี่มันจะเป็นพิษเหมือนงูอสรบพิษมันกัดเรานั่นแหละพราะเราไม่รู้มันเราถึงไปหยียบมันหรือไปจับมันก็กัดเราอืเรื่องจิตใจนี้ถ้าเราไม่รู้จากเรื่องของิเจดิตัญหาแล้วมันก็เป็นทุกข์เมื่อสังขารร่างกายเนี่ยเอมันแปรไปตามธรรมชาติต่างๆแล้วก็ร้องไห้เสียอกเสียใจร้ายอย่างร้ายประการ อันนี้เรียกว่ากายแล้วเป็นผิดจิตใจเรานี่กคือมันการเมื่อคิดไปถึงอย่างหนึ่งคิดที่มันทุกข์มันก็ทุกข์เข้าไปคิดให้ทุกข์เห็นมันผิดจนทุกข์จนน้ําตามันไหลออกอือันนี้ด้วยแต่เราคิดเอาถึงนั้นเละลองลองดูสิบางทีคิดไปคิดมาคิดไปคิดกลัวไปอยู่ที่มือกลัวกลัวก็มีผีทัานั้นแหละกลัวแล้ววิ่งคิดเอาแล้วก็วิ่งคือความคิดเอาเกิดขึ้นกับจิตของเราที่มันโง่นั่นแหละ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 มันเป็นวิธีแบ่งวันพระเป็นบีทีแบ่งหรือเป็นบีทีลบมาเทศมาฟังเทศกับพระสันเทศวิทีแบ่งไม่เอาหมดแต่ตามใจมนุษย์เราทนานมันต้องมีบีธีคูณตรงนั้นน่ะไม่รู้ไปอยากใส่ตรงไหนไม่มีทําไมเลขบีทีบวกบีทีลบบีทีหารบีทีคูณอย่างงั้นน่ะ ถ้ า, ากว่าใจมนุษย์มันมีมีบิตคูณอย่างเดียวไม่ต้องแบ่งแล้วก็ไม่ต้องลบทําไมมันจะไม่ทุกข์ล่ะจะไปใส่ตรงไหนมันจะพอละ่ะมีไหมจํานวนเลขมีไหมมีบิตคูณอย่างเดียวไหมถ้ามันมากกันก็ให้ลบมันมากกันก็ให้แบ่งให้มันพอดีหาความพอดีของจํานวนของเลข ก, กันแหละเราไม่เอาอย่างงั้นนะคูณจะพึ้นทั้งนั้นเน่ะเออ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 อันนี้มันทําผิดวันเดียวทํำไมถึงโกรธหนักโกรธหนาล่ะจะเป็นไงเอามาบวกกันบ้างสิเอามาแบ่งออกบ้างสิก็เรานเนี่ยมันคิดไม่ค่อยจะดีเราไม่ค่อยลบมันไม่ค่อยแบ่งมันมีแต่ทําบีธีคูนทั้งนั้นมันก็ตายเนี่คนไม่มีเหลืออะไรมันจะเหลือแล้วลองลองดูเสียแล้วก็ต้องบอกบ้างสิวันนี้ใช่มันไม่ไปเออเราใช้มันมาตั้งหลายเดือนเนี่ยมันฟังถึงนั้นมีวันเดียวเท่านี้แหละให้อภัยมันเถอะ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 คนไม่รู้จะแก่ไม่รู้จักพอคนรู้จักแก่ก็คือคนรู้จกพอ่อนี่ถ้าพอแล้วกับคาที่ว่าเอาละมันก็พ้นขึ้นมาเห็นไหมล่ะคําคที่ว่ามันไม่พอแต่คําที่ว่าเอาละนี่มันไม่พ้นแล้วมันไม่ขึ้นมาแล้วมีแตแบกไปทะพุธนทั้งนั้นเลยถ้าหารูกจกพอเน่ะเอาระถ้าเราบ่กเอาละก็เดี๋ยวสบายเนี่มันพอแล้วนี่คําที่ว่าเอาระนี่มันพอมันพ้นขึ้นมาอันนี้ไม่เคยเห็นสักทีหนึ่งเลย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 จะต้องแต่งาตา ง, ตงานให้มันจักมันจะจะได้อยู่บ้านอยู่ช่องนี้ก็เลยไปแต่งงานให้มันลูกชายคนเดียวนะ่ยพอมาแต่งงานให้มันสักแล้วก็นึกว่าจะพอไม่พอคิดไปอีกแล้วอืมหากว่าลูกชายเราตายจะทําไง่อลูกสะพ้าจะเอาไปคนเดียวหมดจะมั้งเนี่ยเป็นทุกข์อีกแแล้วออืคือไม่ดูจกพอถ้ามีลูกชายไม่มีลูกสะพ้ายกลัวมันจะห น, นีไปเที่ยวไปเกย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 มันไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่ช่องของก็มากอืมยิ่ันว่ามันจะไม่คุ้มของไม่รักษาของไม่คุ้มก็คิดว่าไปแต่งงานในมันใช่ก็นึกว่ามันจะแล้วไปแต่งงานเนี่ยความคิดใหม่มันพ้นขึ้นมาอีกเมื่อลูกชายเราตายจะทําทไงนะ่ะลูกสะพ้ายก็เอาไปกินหมดเลนั้นเนี่ยแน่ <c oughs> ไม่จบโยมคิดอย่างนี้อัตมาก็ก็โจนใจเหมือนกันนะอืมนั่น น่าจะไปโน่นนังไปเข่าไปฟังเทศอยูุ่ีิวัดเออืมสีมหาโพนี่ดีกว่าเนอะมั่งเนี่ยจะเอาที่ตรงไหนล่ะคือนี่เรียกว่าไม่พอแล้วไม่ตายเดี๋ยก็ไม่พอแล้วก็เป็นไปอย่างก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเดี๋ยวนี้ก็นานเห็นจะเห็นจะตายแล้วฟ้านี่นะออไม่เห็นมานี่คือมันกลัวไม่หยุดอันนั้นเป็นยังไงต่อไปตรงนั้นจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเลยวุ่นตลอดเวลาเลยเป็นทุกข์ไม่ได้อยู่เป็นสุขเลย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 มิฉนั้นการฟังธรรมะนี่อาจจมาว่ามันไม่แปลกกันกับจํานวนของเลขวิธีทําเลขมันมีวิธีบวกมันมีวิธีลบมันมีวิธีคูณมีวิธีหารแบง่งออกให้ได้จํานวนของมันอ่าความคิดความรู้สึกของเรานี่ก็ต้องทําอย่างนั้นอืมต้องทําอย่างนั้นอย่าไปโทษมันดื่อยสิให้โทษมันเรื่อยไม่ได้เราต้องแบง่งภาระ ให้รู้จักการรู้จักเวลาสมงวรถ้าเรารู้จักเป็นวันพระอย่างเนี้ยนานๆ่ะนน26วันมาวันพระก็วันพระมันสี่วันท่านเนีน่เดือนหนึ่งมีสี่วันพยายามวันนั้นให้ทำมาหากินเสียอืแล้วก็มาอบรมอบรมแล้วก็ไปทำมาหากินกว่าจิตใจมันจะบุญไว้ก็เข้ามาอบรมอีกก็ไปทำมาหากินต่อสู้กับโลกไปอยู่อย่างนี้น มันก็รู้จักทางทำมาหากินอยู่ไปไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนก็จะได้เห็นว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงพลขึ้นมาถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปนั่นก็รู้ที่ชาวพุทธเราน่ะอาตมาก็มาคิดดูทีว่าตั้ณฑ์อาตมาเกิดมานี่น่ะออืคนเราน่ะมันพระพุทธเจ้าสอนมามันเกิดแล้วมันแก่มันเจ็บแล้วมันก็ตาย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 อืเราก็เห็นว่าคนตายไม่ไม่คืนมาเห็นทุกทีแต่เราก็ไม่จําทุกทีมันขาดการภาวนาขาดการพิจารณามาสมัยนี้อาตมามาสงเคราะห์ญาติอยู่วัดน้องปภงเนี่ยประมาณสักสามสิบปีมาแล้วเนี่ยนะอ่ะาญาติพี่น้องเสียไปนั่นพ่อแม่พี่น้องเสียไปไม่เคยเห็นญาติโยมร้องไห้อืไม่เคยเห็นร้องไห้ก็นิดๆในน้อยแต่น้าตาไหลนิดเดียวเท่านั้นก็พอ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 ถ้าหากว่าท่านมอบให้เราหมดทั้งสามสิบวันก็คงจะแย่ละมั้งนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วนี่เดือนหนึ่งสามสิบวันท่านให้เรายี่สิบหกวันทำมาหากินก็พอแล้วท่านให้มาอบรมเป็นวันพระสี่วันอย่างนี้ก็พอสมควรพราะจะรู้จะเห็นเนี่ยแต่สมัยนี้มาขโมยวันพระไปหมดเลยแบ่งกันข้างหนึ่งเอายี่สิบหกวันข้างหนึ่งเอายี่วันโยมเราโดยมากบางแห่งมาขโมยวันพระไปหมดแล้วไม่มีเรือ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 มากพอควรในสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นโดยมากการฟังธรรมนี่ก็ให้ประโยชน์เราถ้าเราไป เอาวันนี้เป็นวันพระซึ่งนับเนื่องมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่จะพวกชาวพุทธเราจะมาทําความเข้าใจกันในธรรมะ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 อยู่ไม่มีใครเห็นมันก็เป็นความจริงมิฉะนั้นคนเราเมื่อจะทำความดีนั้นอ่าไม่ต้องให้คนอื่นเห็นบางคนทำคนงามความดีก็ต้องการอยาก ใ, ห, ให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นเป็นพยานเราจรึงจะดีอกจึงจะดีใจอันนั้นก็ดีอยู่แต่ว่ามันยังไม่จริงไม่บรรลุถึงความจริงจริงๆไอ้ความจริงนั้น เราจะไปรอบทำอยู่คนเดียวทำความชั่วมันก็ชั่วอยู่นั่นแหละทำความดีอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นมันก็ยังดีอยู่นั่นเองแหละมันเป็นแสอย่างนี้ไม่ต้องว่าเราทำความชั่วคนเห็นแล้วมันเพิ่มชั่วขึ้นดีไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเราทำความดีจริงเมื่อคนเห็นเนี่มันเพิ่มความดีขึ้นดีมันไม่เป็นอย่างนั้น อ, อนื <S <s <ugs>. <S ่มันเป็นแสอย่างนั้นอันนี้ถ่าว่าไอ้ความดีที่เราทั้งหลายที่ปฏิบัติปฏิบัติกันแล้วมิชนน มันจึงตราทึ่งราบหรือยสศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ไม่มีที่รับอืมทำดีมันได้ดีทำชั่วมันได้ชั่วอันนี้มันเป็นความจริงแต่พระพุทธเจ้าองค์ท่านตรัสอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าองค์ท่านทำความดีท่านลาความชั่วท่านออกไปบำเพ็ญนั่งหลับหูหับตาที่ไหนไกลรูปเสียงกลิ่น ด, ด ท่านก็ยังมีความดีสาวกทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแต่คนเราทุกวันนี้จิตใจไม่แน่นอนไม่มีศรัทธาอย่างเป็นจริงทำอะไรที่เราทาความดีอยากจะให้คนเห็นถ้าคนไม่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจอย่างนี้ทาความชั่วก็เหมือนกันไม่ให้คนเห็นถ้าคนเห็นเนี่้มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ ทำความชั่วที่คนไม่เห็นนั่นมันดีอย่างนี้ให้ความมันเป็นขโมยในตัวของเราอยู่อย่างนี้ตลอดการตลอดเวลานั้นคนเราจรึงไม่พบความจริงคือธรรมะความเป็นจริงธรรมะนั้นเอมันมาตัวตรงอยู่ที่จิตของเราอย่างการกระทําบุญกระทําบุญยทุกชิ้นทุกส่วนนั่นน่ะก็เพื่อจะให้จิตเราเป็นบุญเมื่อจิตเราเป็นบุญแล้วเราจะนั่งอยู่มันก็เป็นบุญ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 ถ้าเราเข้าใจธรรมะมันเปลี่ยนอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปส่งจิตใจของเราเออกไปข้างนอกเราอยู่ข้างในของเราทำจิตให้มันเป็นบุญเช่นสแสวงหาบุญนอกใจของเจ้าของมันก็ลำบากเหมือน่นะนั่งรถนั่งเรือวิ่งไปวิ่งมาตลอดการตลอดเวลาอย่างญาติโยมเขามาทำบุญกันได้นเนี่ยไปทอดกันถินตรงนั้นไปทำป่าป่าอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ฟังธรรมหรอก พอไปนั่งกราบพานรีบรีบจะไปแล้วมันรถเขาเช่ารถเข้ามาเกิดเลยรีบไปนั่งก็รีบรีบลุกลุกแล้วก็รีบเดินเดินแล้ก็รีบวิ่งรีบไปรีบมารีบไปรีบมาอะไรแต่รีบเท่านั้นอ่ะไม่ไม่ได้อะไรเป็นสาระประโยชน์ในด้านจิตใจของเรานั่นนั่นอันนี้คือคนเราวิ่งหาบุญบุญกุศลแท้ๆนั่นน่ะ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 ถึงแม้จะทำบุญถึงแม้จะฟังธรรมถึงแม้จะสั่งคนงามความดีจะต้องให้คนอื่นบังคับจับมือถ้าคนอื่นไม่บังคับไม่จับมือแล้วก็ไม่ทำไม่ยอมทำไม่กล้าทำเนี่ยฉะนั้นธรรมะอันแท้จริงมันจึงไม่เห็นเราจรึงไม่เห็นว่าทำในจิตใจของเรานั่นเองฉะนั้นจิตใจของเรานี่ถ้าเรามาพินิจพิจารณาดูแลว้วว่ามันไม่อยู่ที่อื่นหรอก บุญบาปมันอยู่ที่จิตใจของเราฉะนั้นพระพุทธองค์ท่าคน้นจิตของเรานั่นกับธรรมะจิตเรามันไม่ได้ฝึกจิตเรามันไม่ได้ฝึกเราจะไปเชื่อจิตของเราอย่างเดียวว่าเราชอบอันนี้ว่ามันดีบางทีมันก็ชอบอันผิดๆนั่นนะว่าดีแต่ว่ามันดีเฉพาะใจของเราแต่ความจริงมันเล้ะขาดจากธรรมะมันเป็นของไม่จริงโดยสัจธรรม มิฉะนั้นต้องเอาจิตของเราน้อมเข้าไปสู่ธรรมะอย่าดึงธรรมะเข้ามาสู่จิตของเราเราต้องดึงจิตของเราเข้าไปสู่ธรรมะอย่างผู้น้อยต้องน้อมเข้าไปหาผู้ใหญ่ไม่ต้องให้ผู้ใหญ่น้อมมาหาผู้น้อยเราเป็นสาวกรพระพุทธองค์ของเราจะจะน้อมเข้าส่งถึงพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้าน้อมมาหาสาวกอย่างนี้ มันเป็นธรรมเนียมมาแต่ดึกน้ำบานมาแล้วธรรมะก็ดีเป็นของสิ่งสูงสุดกับตัวเรานี่มันเป็นคนที่ไกลจากจากธรรมะเมื่อเราอยากจะเห็นธรรมะเราไม่ควรดึงธรรมะเขามาใส่ใจเราไม่ให้ธรรมะน้อมมาใส่ใจเราให้ใจเราน้อมก็ไปหาธรรมะเพราะธรรมะมันเป็นสัจธรรมจิตใจของเราเป็นต้นมันจิตใจยังไม่ได้ฝึกฝนให้มันเป็นธรรมมิฉานั่นเป็นต้นว่า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 หรือพื้นฐานที่บ้านหรือสไลเราเนี่ยมันสกปรกมันถูกน้ํามันหรือมันถูกเครื่องสกปรกอันใดอันหนึ่งมันก็สกปรกอยู่ที่มันสกปรกนั้นแหละเมื่อเราอยากจะให้มันสะอาดแล้วก็เอาน้ํามาสาดมันใชเอาน้ํามาล้างมันใช่ไอ้ของสกปรกนั้นมันก็หายไปเมื่อของสกปรกหายไปคือความสะอาดในพื้นสาลพื้นบ้านของเรามันก็สะอาดขึ้นมาเราก็จะเห็นในว่า ไอ้สิ่งที่มันสกรปรกนั่นก็คือจิตของเราถ้าหากว่าเราทำความถูกต้องดีแล้วไอ้ของที่สะอาดมันก็ยังมีอยู่เหมือนพื้นสารามันสกรปรกเพราะอะไรต่างๆที่มันในสกรปรกนั้นมาเช็ดมารางไอ้สิ่งที่มันสกรปรกกันออกความสะอาดมันก็พ้นขึ้นมาอยู่ที่นั่นที่ของสกรปรกมันปกปิดอยู่นั่นเองไอ้ความชั่วไอ้ความดีของเราทั้งหลายก็มอนกันฉันนั้น ความชั่วยอยู่ตรงไหนความดีอยู่ตรงนั้นความผิดอยู่ตรงไหนความถูกอยู่ตรงนั้นความสกปรกอยู่ที่ไหนความสะอาดมันก็อยู่นนที่นั่นเหมือนการฉันนั้นจิตใจของเรานี่ของมันการฉันนั้นธรรมาชาติจิตของเราจริงๆนั่นน่ะมันเป็นจิตที่สม่มําเสมอมันเป็นจิตที่ไม่เศร้าหมองเป็นจิตที่ฟองใสขาวสะอาดอยู่อย่างนั้นที่จิตของเรามันเศร้าหมองนี่ก็เพราะเราว่ามันไปพบกับอารมณ์ พบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจของเรานั่นแหละก็ทำใจของเราให้คุณมัวทำใจของเราให้เศรมองทำใจของเราไม่ให้สะอาดทำใจของเราให้สุขกระปกมีเพราะอะไรไม่ใช่จิตของเรามันสุขกระปกเพราะจิตของเรามันยังไม่แน่นอนไม่เชื่อมั่นในธรรมทั้งหลายนั่นเองกับอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจใจเราก็เศรมองอารมณ์ที่เราชอบใจใจเราก็ผองใส มันก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านให้ปฏิบัติไม่ใช่ให้พูดเฉยๆให้ปฏิบัติคือให้ทําความเป็นจริงเช่นว่าเราสมทานถึงศีลอย่างนี้เป็นต้นนะปานาอจินากาเมมุสาสุรานี่เววรียกว่าศีลคําพูดถึงศีลไม่ใช่ตัวของศีลสภาวะของศีลนั้นมันก็เป็นอีกอย่างหนึง่งสภาวะของศีลนั้นไม่ใช่ว่าการพูด มันเป็นการกระทําจริงๆเช่นว่าไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้เราก็ไม่ฆ่าจริงๆอย่างนี้ไม่กินสุราเราก็ไม่กินจริงๆนี่ไม่พูดโกหกเราก็ไม่โกหกจริงๆอย่างนี้เราไม่ขโมยของคนอื่นก็ไม่ขโมยจริงๆไม่ใช่ดีแต่พูดเฉยๆสินมันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ตรงที่กระทําไม่อยู่ตรงที่พูดพูดนั้นเพว่อชี้ให้เราเห็นว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้น อันนั้นเหมือนเป็นอย่างนั้นเมื่อเราตกลงใจว่ามันเป็นเช่นนั้นน่ยแล้วก็ลงมือกระทำเลยลงมือประพฤติเลยลงมือปฏิบัติเลยกระทาเลยอันนั้นที่เกิดเป็นผลขึ้นมาคือการกระทําเช่นนั้นอันนั้นเทคโนโลอีศีลที่เราพูดตามภาษาของเราเนี่ยมันก็ลาบากอยู่ถึงมันพระไปรักษาศีลไปรักษาศีลไอความเป็นจริงนั้นมันเป็นคํำพูดที่ตอบเรื่อยๆกันมา เป็นไปเป็นประเพณีวันนั้นไปรักษาศีลเมื่อเราเพ่งความหมายแล้วกะศีล น, น, น่ะเห็นจะโง่กว่าเราเนอะมั้งเน่ยเราจะต้องไปรักษานหมถ้าเราเพ่งไปแล้วนะะศีล น, น่ะคงจะไม่ดีขนาดเราเราตึงไปรักษาศีลเ น, นี่ยมันจะไปอย่างนั้นถ้าเราพูดตามความเป็นจริงแล้วศีล น, นั่นโอ้ยเราไม่ต้องไปรักษา ถ, ถ้านอกท่านดีแล้วมารักษาตัวเรานี่เอง รักษาตัวเรารักษากายวาจาใจของเรานี่ดีแล้วมันก็ศินก็เกิดขึ้นมาเราไม่ต้องไปรักษาศินไปรักษาตัวของเรานี้คำพูดอันนี้มันพูดสูงเกินตัวไปใช่มั้งว่าเราก็ไปรักษาศินบางคนไม่รู้จักสินเลยก็เข้ามาวัดไปไหนไปรักษาศินไปรักษาศินก็คิดว่าสินนั่นมันเป็นของยากมันเป็นของลําบากมันเป็นของสอนยากไอ้ความเป็นจริงมันจะทอนกลับมาแล้วกว่ามารักษาตัวเรานั่นเอง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 สิ่งอะไรที่มันผิดก็เห็นมามันถูกสิ่งอะไรที่เห็นมาถูกอะไรมามันผิดนั่นอย่างอัตามายกตัวอย่างให้ฟังว่าวันหนึ่งนั่งอยู่ในวัดเล่านี้แหละมีโยมคนหนึ่งมาจากอำนาจเจริญเราเคยเป็นเราเคยเป็นปราชญ์มาเคยบวชเป็นพระมาออกเป็นคารวะก็เป็นคนทำบุญซูนทานตลอดเวลาแต่แกคนนั้นวันหนึ่งนะแกก็มาจากอำนาจเจริญ ถามว่าโยมมีทุกข์หลายทุกข์มาหลายวันแล้วแก้อะไรไม่ตกอะไรไม่ตกนึกถึงหลวงพ่อองค์เดียวอ่ใจผมมีความสว่างที่ไหนผมไปนึกเห็นแล้วก็กราบมากระซับกระสายมาเรื่ความใจไม่ค่อยสบายมากราบลงอืมูดโ อ, ดโอยโคนค้างมาอย่างนั้นหละยแต่มาก็เลยว่าโยมไม่เป็นไม่ผมทุกข์มากทาไมมันทุกข์มาเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันเรื่องใหญ่เหลือเกินอืม พูดก็น้ำตามันก็ไหลออกด้วยทั้งพูดระเรื่องมันใหญ่น้ำตามันก็ไหลออกหยุดก่อนทีโยมพูดในฟังมันเรื่องอะไรมันเรื่องใหญ่หนักหนาแล้วอ่ะท่าก็เดยคลาน ก, กข้าขมากราบไปค่ายเขาซิบว่าหลงพ่อว่าเมียผมตายเนี่ยฮะว่เมียผมตายือนึกว่ามันเรื่องใหญ่ว่ะอ้ น, นี้มันเรื่องเล็กนี่นะมันเกิดเกิดตายตายเขาเกิดกันมาตลอดการตลอดเวลาแล้วทั้งเกิดทัดด้งตายเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมคนเกิดไม่ตายเห็นไหม เ, นนะเกิดมามันต้องตายเรื่องเกิดเรื่องตายไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเรื่องธรรมดาของเรานี่ขนาดนี้ก็ยังมองมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จนจะแก่ไม่ไหวเลยอืมนะจนกว่าที่ว่าไม่เคยเห็นคนเกิดไม่เคยเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นคนตายไอย้ความเป็นจริงอะมันเกิดมันตายมาเรารู้ว่ากี่ศพมาแล้วเราทําไมไม่อ่านทาไมไม่พิจารณาทำไมเห็นเป็นเรื่องใหญ่จนเดือดร้อนกังวนกวายกินไม่ได้นอนไม่หลับอตาตมามาคิดใหม่สิ ออันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกพ่อของโยมอ ย, อยู่ไหมไม่อยู่เขาไปในตายนั่นเลยตายแล้วแม่เยแม่แม่แม่ก็ตายเนี่ยแม่ก็ตายแล้วมันจะเรื่องใหญ่อะไรนะั่นอ่ะมมันจะอยู่ไรเราเป็นลูกเราจะไม่ตายออันนี้มันเรื่องธรรมดาโยมไปย้อนคิดใหม่ทีว่าไปคิดเรื่องใหญ่มันก็ใหญ่ท่านั้นแหละ มันเรื่องเด็ดเเรื่องธรรมดาเรื่องคนเกิดมาในโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นมิฉะนั้นเกิดมาพระพุทธเจ้าท่านจะให้รีบทําคนงามความดีเพราะมันเป็นอย่างนั้นก็ได้พูดกันแอบไปแอบมากรณีโยมผู้หญิงคนหนึง่งนั่งอยูกข้างข้างมาเลยนั่นไหนโยมมา ก, กะใครเน่ะท่ายมแม่บ้านตายแหละอันนี้แม่บ้านอีกคนหนึ่งอา้าวทาไมมีหลายคนเหลืเกินเนี่ยมันยังดีน่ะมันสองคนคนหนึ่งตายคนหนึ่งยังอีกบางคนมีแม่บ้านคนเดียวตายคนเดียวก็หมดมันยังไรก็โยมอีกเอาละโยมพอแล้ว ตายคนหนึ่งยังอยู่คนหนึ่งจมันจะเรื่องใหญ่อะไรแล้วให้ไปคิดไหมแต่คนนั้นก็นั่งฟังนี่คือความคิดของคนเราไม่รู้จักนะไม่รู้จักพอคือคนไม่รู้จักพ่อก็คือคนไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักตายไม่รู้จักความเกิดแก่เจ็บตายบางคนจะไปเทศว่าเกิดเกิดแก่แกเจ็บเจ็บแต่ตายให้ฟังไม่สบายใจเดยนะ ยิ่งคนฝรั่งเมืองนอกเนไปพูดเรื่องแก่ให้ฟังลุกนี้เลยเขาไม่อยากแก่อืเขาอยากเป็นพวกเขาอยู่อย่างนั้นว่าคนเท่าจะแลแก่ชราอย่างนี้ไม่เอาอมอไม่อยากได้เมื่อฉะนั้นเมืองนอกคนแก่เขาทิ้งคนแก่แก่ห้าสิบหกเก็บเาทิ้งะไม่เหมือนเมืองไทยเราเขาทิ้งน้หนุ่มสาวรุ่ น, นเขาเกิดมาเท่านี้ไปเที่ยวไปคนแก่เขาทิ้งไปตะพึ่อแก่แล้วทิ้งอย่างนั้นไม่ต้องไปเก็บหรอกเอาเอาเข้าใส่ในกูหลังน่ะ เอนี่ฉะนั้นพวกคนไทยเรามีธรรมะให้พิจารณาให้เห็นอย่างโยชนบดีคือมันเ อ, เอาคนแก่ไปเก็บไว้เลี้ยงอแต่มาเคยเข้าไปดูโอ้ยคนแก่เกจิสิบ ป, ปีแปดสิบ ป, ปีเน่ยอยู่นั่นแหละให้พยาบาลมารักษาแต่มาเข้าไปเทศ ต, ตรงนั้นนึกนึกไปก็น่าสรดสังเวชนึกไปนึกมากว่าเหมือนกับผดักแต่งโมเขาเอาไปทิ้งนะ <C oughs> เขาจรี๊เมาเนื้อมันทานแล้วก็มีแต่เปลือกมันก็ทิ้งลวงคลองนั่นเองประยชน์ชนโมดีที่ที่เลี้ยงคนแก่ก็เหมือนกันเข้าไปในที่นั่นเหมือนเปลือกแตงโม <c oughs> มีตแต่คนแก่ๆถึงนั้นะคนหนุ่มๆเขาหนีว่าก็ไม่ไปหาหรอกหนีไปไปหาเข้าลงนังเข้าดิเจนครหาลำบงเลื่องตามสบายเอ้คนแก่ก็รับบาปไปเถอะแก่ไปเถอะไม่มองถึงเรานั่นมิจฉานั่นเมืองนอกก็ต้องเป็นอย่างคนแก่อาไปทิ้งนะ คนหนุ่มจเจริญไปทุกคนไอคนที่หนุ่มๆแก่มาเก็เอาไปทิ้งเหมือนกันกรรมอาตมาพูดกระชาพลังลวนันนี้คือกรรมกรรมนี่แต่ก่อนแล้วก็ทิ้งคนแกว่านี่เท่เราแก่มื้อคนหนุ่มก็ทิ้งเราเหมือนกันต้องเป็นอย่างนี้ท้ายทอดถ้าไปตรอดเวลามันแก้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เนะี่ความอบอูนของเมืองนั้น่ะไม่เหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยเรานั้นเนี่ยเทสธรรมะให้ฟัง ให้เห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายว่า ม, มันเป็นธรรมะอันเป็นที่น่าสล ด, ดสังเวชเมื่อเราจะทำอะไรล้วก็ต้องได้พิจารณาเมื่อเราหนุ่มแลาก็หวนถึงคนแก่มเมื่อเห็นคนแก่แล้วเรากหวนถึงคนหนุ่มมันได้เป็นเกาะมันเลยขกกันเหมือนลุกโซ อ, อย่างนี้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์สอนให้มีความเมตตาู้จากอุปการะบุญคุณของบุคคลพุทธมีคุณ อย่างทางนอกเขาไม่สอนอย่างนี้เขาสอนว่าคนแก่กว่าแก่ไปคนหนุ่มกว่หนุ่มไปมันเรื่องของใครของใครถึงนั้นแหละมันเป็นไปซะอย่างนี้เมื่อพูดไปตามความเป็นจริงหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะี่ยเรี่ยงลูกมาก็รักเมื่อรักก็อยากจะให้รู้จักบุญคุนของพ่อแม่เท่านั้นถ้าเรี่ยงมาไม่มีบุญมีคุณก็ไม่รู้ว่าจะเรี่ยงมาทําไม อันนี้เหมือนพูดถึงธรรมะขององค์สมเด็จพ ร, ระเจ้ามาสัมพุริเจ้าของแก่ขนาดไหนคนเมืองไทยเราก็ไม่ทิ้งกันอันนี้เป็นความอบูนในเมืองไทยฉะนั้นพวกเราเนี่กความือนกันฉันนั้นเราแต่ต้องพิจารณาธรรมะพิจารณาธรรมะมันเป็นสังขารสังขารว่าต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไ, ไอ้ความเปลี่ยนไปนั่นอ่ะมันเกิดมาแล้วเป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มแล้วก็เป็นแก่เท่าสลายแก่ชรา แต่ว่าจิตใจของคนเรานั้นไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปอย่างนั้นหนุ่มเนื่อว่าอยากให้แก่แก่แล้วว่าอยากให้ตายอยากให้อยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือความเห็นผิดจนแล้วอันนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกมันเรื่องอนนจังมันเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นธรรมดาของมันแล้วถ้าไม่เปลี่ยนแปลงคนเราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้นะเต้นมะม่วงต้นหนึ่งมันก็เปลี่ยนขึ้นมามันึงโตมาขนาดนี้จึงเป็นหลอกออกผลให้เราทาน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 เข้าเข้าเดี็กออกนี่เราอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มิฉะนั้นเป็นต้นเราควรระลึกถึงธรรมะเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราควรควรมอบมองดูข้างข้างว่าอันนี้พ่อแม่ของเราอันนี้พี่น้องของเราอันนี้ลูกหลานของเราอันนี้ตัวของเรามันก็พร้อมไปเปลียนอย่างนี้ตลอดการตลอดเวลานี่เพราะธรรมะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงทําความเข้าใจมาฟังธรรมะคือมาทําความเข้าใจกัน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 ให้พิจารณา <necessary> อย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดพิจารณากันหรือเปล่าก็ไม่รู้ือเมื่อสวดจะต้องให้พิจารณากันทุกวันทุกวันเถิดทกวันทุกวันทําวัดทุกวันอย่างนี้ถ้าหากว่ามันเปลี่ยนแปลงอแล้วว่าไม่ควรเส kiss, ียอกเสียใจไม่ควรทําทําใจเห็นมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล ouais year, ้วให้ความเห็นเราเป็นอย่างนี้เมื่อเราได้ฟังธรรมบ่อยๆ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 เกิดมาแล้วมีความเปลี่ยนอยู่ก็เป็นธรรมดาไอ้ธรรมดามันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเช่นนี้ความบรรเทาทุกข์ของเราก็น้อยไปน้อยไปความอยู่เย็นเป็นสุขความสงบประงับมันก็ตั้งขึ้นมาในที่ใจของเรานั่นเองอันนี้เป็นโอวาททำสอนของพระพุทธองค์ของเรามิถี่นั่นจงประกันทั้งอกทั้งใจให้เข้าใจธรรมะฟังแล้วให้เข้าใจธรรมะให้พิจารณาอย่างนั้น